บทที่79ปริศนาธรรมโยมจะออกเดินทางกันหรือยังพระเจริญถามอดีตผู้ใหญ่บ้านซึ่งกเกษียณอายุมา24ปีแล้ว ชาวบ้านยังคงเรียกติดปากว่าผู้ใหญ่ผมว่ารอให้ฉันเพนซะก่อนจะดีกว่าประเดี๋ยวจะกลับมาไม่ทันเพนอดีตผู้ใหญ่บ้านห่วงเรื่องการขบชันของพระหนุ่มไม่เป็นไรอาตมาอดได้อยากไปพบท่านเร็วๆพิสูจวัยเบญจเพศพูดตามภาษาคนใจร้อนแต่ผมเป็นห่วงท่านครับ เมื่อกี้ท่านก็ฉันน้อยมากถ้าต้องงดพัฒหาเพนอีกผมเกรงว่าท่านนะจะเป็นลมเสียกลางทางสี่กิโลไม่ใช่ใกล้ๆนะครับผมใช้เวลาเดินชั่วโมงหนึ่งเต็มๆบุรุษวัยย่าง8ปสบห้าบอกพระเจริญจึงต้องยอมด้วยพิจารณาแล้วว่าผู้ใหญ่บ้านเองนั้นก็คงไม่อยากไปอดข้าว รวอีกประการหนึง่งเขาก็แก่มากแล้วตอนเขากเกษียณอายุตัวท่านเพิ่งจะได้ขวบเดียวเท่านั้นตกลงอาตมาจะรอฉั้นเพลนก่อนดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องรีบร้อนกลับมืดหน่อยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมอาตมาหมายถึงว่าไม่มีโจรผู้ร้ายมาคอยดักปล้นจี้ไม่มีหรอกครับพระคุณเจ้า พ่อผมเป็นกำนันที่เข้มแข็งมากพ่อผมเป็นผู้ใหญ่บ้านบารมีของพ่อยังคุ้มกันอยู่พวกโจรผู้ร้ายไม่กล้าเข้ามายุ่งย่ามทางเมืองสิงเป็นอย่างไรบ้างครับเขาถามไม่ค่อยดีเท่าไรโยมพ่อต้องย้ายบ้านเข้ามาอยู่ในตลาดก็เพราะโจรผู้ร้ายชุกชุมปล้นวัวปล้นควาย ไม่เว้นแต่ละวันเบียดเบียนกันเลอกเกินท่านบน่นไกลกลคนเรานี่ก็แปลกนะครับไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธ์ก็ประเสริฐนักหนาแล้วยังจะมาเบียดเบียนข่มเหงกันทำให้ค่าของความเป็นมนุษย์ลดลงไปเท่ากับเดรรชาน ผู้ใหญ่บ้านวัยแปดสิบสี่ปรารภนั่นสิบางครั้งมนุษย์ยังแย่กว่าเดรัจฉานซิอีกโดยเฉพาะพวกที่โมหะครอบงำยอมเคยเห็นพวกสัตว์มันผลิตอาวุธขึ้นมาฆ่าล้างผลานกันไหมไม่เคยครับอย่างเก่งมันก็แข่ยกพวกมากัดกันต่อสู้กันตัวไหนแพ้เจ็บหรือตายไป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 ความสูญเสียที่มนุษย์ได้รับอันเป็นผลพวงมาจากสงครามที่สัตว์ประเสริฐมอบให้สัตว์ประเสริฐด้วยกันนั่นเพราะเราเข้าใจผิดต่างหากละโยมพระหนุ่มแยง้งเข้าใจผิดยังไงครับเขาถามเข้าใจผิดว่านมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐนะสิความจริงมันต้องมีเงื่อนไข เงื่อนไขอะไรครับดูเหมือนว่าบุรุษสูงไวัยไม่เข้าใจมากขึ้นเงื่อนไขที่ว่ามนุษย์จะเป็นสัตว์ประเสริฐได้เพราะการฝึกซึ่งหมายถึงการฝึกด้วยศีลสมาธิปัญญาพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนท่านโตเศษโธมนุษย์เสสุแปล ว, ว่าในหมู่มนุษย์คนประเสริฐคือคนที่ฝึกแล้วเพราะฉะนั้น หากจะเปรียบเทียบกับเดราชานมนุษย์ที่ฝึกแล้วจึงดีกว่าส่วนมนุษย์ที่ไม่ได้ฝึกนั้นเลวกว่าเช่นพวกเป็นต้นเหตุให้เกิดสงครามจัดว่าเลวกว่าเดราชานเพราะเขายังไม่ได้ฝึกพระเจริญอธิบายอย่างนั้นหรอครับแม้ผมก็หลงเข้าใจผิดมานานว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสรศิฐ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 อาตมาไม่เคยนอนกลางวันโยมยายสอนไว้ตั้งแต่อาตมาเป็นเด็กว่าคนนอนกลางวันเป็นคนเกียดคร้านเสียการเสียงานโยมยายพูดเป็นคติเตือนใจไว้ว่านอนนานงานน้อยกินบ่อยเงินหมดมีเงินหน้าสดหมดเงินหน้าแห้งแล้งน้ำใจโยมยายท่านสอนเก่งนะครับเก่งมากโชละ ที่อาตมาเป็นผู้เป็นคนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะโยมยายคอยอบรมสั่งสอนนี่แหละสมัยเด็กๆอาตมาเกเรมากโยมพ่อโยมแม่ก็เอาไม่อยู่มีโยมยายคนเดียวอ่ะที่ปรับอาตมาได้ผู้ใหญ่บ้านแอบสังเกตว่าพระหนุ่มดูจะมีความสุขเมื่อได้พูดถึงโยมยายของท่านแต่ผมคิดว่าพระคุณเจ้า ต้องเป็นผู้มีบุญวาสนาจึงสามารถพลิกผันหันเหชีวิตให้มาอยู่ในเส้นทางของความดีงามได้คนเราต้นคดปลายตรงยังประเสริฐกว่าต้นตรงปลายคดนะครับนั่นสิภาษาพระเขาเรียกว่ามืดมาสว่างไปซึ่งดีกว่ามาสว่างไปมืดพระหนุ่มอธิบาย เที่ยงตรงผู้ใหญ่บ้านก็นำภิกษุอคันตุ ก, กะออกเดินทางเพื่อไปยังต้นไซใหญ่กลางทุง่งที่พระธุดงค์รูปหนึ่งมาปักกลดอยู่ใต้ต้นไม้นี้เป็นประจำทุกปีสมณากับคฤรหัดพากันเดินลัดเลาะไปตามคันนากระทั่งมาถึงป่าทึบริมทุง่งต้องเดินผ่านไปทะลุอีกด้านหนึ่งบุรุษวัยแปดสิบสี่บอกพระหนุ่ม โยมเหนื่อยหรือยังพระนุมถามเมื่อเดินทางมาประมาณครึ่งทางไม่เหนื่อยเลยครับแต่ถ้าพระคุณเจ้าเหนื่อยจะหยุดพักก่อนก็ได้ผู้ใหญ่บ้านบอกไม่เป็นไรอาตมาเพียงแต่ห่วงโยมเพราะเห็นว่าอายุมากแล้วยอมแข็งแรงดีเลิศเกินท่านชมครับ ผมก็รู้สึกอย่างนั้นเพราะคนวัยเดียวกันกับผมพากันล้มหายตายจากไปหมดยังเหลืออยู่ก็ไปไหนมาไหนไม่ไหวแล้วบุรุษสูงวัยบอกกล่าวมูจักจานเรไรส่งเสียงร้องดังอึงคนึงไปทั่วทั้งป่าพระหนุ่มรู้สึกเพลินใจที่ได้ยินจึงพูดขึ้นว่า จัจจันร้องเพลงได้ไพเราะเหลือเกินอาตมาว่าเสียงของมันแปลกดีเป็นเสียงที่มนุษย์ไม่สามารถเลียนแบบได้มันไม่ได้ร้องเพลงหรอกครับพระคุณเจ้าเสียงที่ท่านได้ยินนะ่ะมาจากตัวผู้ซึ่งมันมีอวัยวะพิเศษสำหรับทำเสียงให้ได้ยินไปไกลจักจันตัวเมียทาไม่ได้ เพราะไม่มีอวัยวะพิเศษเหมือนตัวผู้บุรุษสูงวัยอธิบายอย่างนั้นหรืออาตมานึกว่าเสียงร้องเพลงแปลกดีธรรมชาตินี่มีอะไรลึกลับซับซ้อนนะโ ย, ยมนะครับผมว่าเป็นบุญของจักจัน์พวกนี้ที่ป่าอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านไม่เช่นนั้นพวกเด็กๆก็มาซอยไปปิ้งกินหมด กินได้ด้วยเหรอโยมได้ครับเห็นเขาว่าอร่อยเสยด้วยแต่ผมเองไม่กินตอนเด็กๆผมก็ไม่เคยจับมันไปปิ้งเหมือนเพื่อนๆ เ, เขาว่าผมเป็นคนประหลาดพวกเขากินได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นแยกกบอึงเขียดเจอเป็นจับไปกินหมดมีผมคนเดียวไม่ยอมกินผู้ใหญ่บ้านวัยแปสิบสี่ เล่าความหลังอาตมารู้แล้วเราว่าโยมอะทำไมถึงอายุยืนแล้วก็แข็งแรงอย่างนี้เพราะโยไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์นั่นเองพระพุทธองค์ตรัสเหตุแห่งการทำให้อายุสั้นว่าเพราะชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเหตุแห่งความเป็นคนมีโรคมากเพราะชอบเบียดเบียนสัตว์เมื่อโยไม่สร้างเหตุสองประการนี้ โยมจึงอายุยืนและก็ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนคงจริงครับพระคุณเจ้าเพราะเพื่อนๆนผมส่วนใหญ่อายุสั้นส่วนพวกที่อายุยืนหน่อยก็ขี่โรคเจ็บอดอดออแอดๆสามวันดีสีวันไข่เวรกรรมเนี่ยไม่ต้องรอดูชาติหน้าเลยนะครับชาตินี้ก็เห็นเห็นกันอยู่ผู้ใหญ่บ้านตั้งข้อสังเกต นั่นสิเมื่อก่อนอาตมาไม่เชื่อเรื่องนี้จึงได้ก่อกรรมทำเข็ญไว้มากมายยังไม่รู้เหมือนกันว่าวันใดผลกรรมจะตามสนองถ้ายังไงก็ขอให้เป็นชาตินี้เถอะรอไปชาติหน้าคงสู้ดอกเบี้ยไม่ไว้บาป บ, บุญมันมีดอกเบี้ยเหมือนกันนะโยมพระเจริญว่า นึงชั่วโมงผ่านไปสมณะกับครืหัดก็พากันมาถึงต้นไทรใหญ่กลางทุ่งใต้ต้นไทรมีพระภิกษุรูปหนึ่งนั่งขัดสมาธิหลับตาอยู่ดูจากร่างกายสังขารคณนว่าคงจะอายุราวเจ็สิบปีผมยาวประมาณครึ่งกระเบียดทุกเส้นดำสนิทไม่มีงอกแม้แต่เส้นเดียว ผิวดำรูปร่างสูงใหญ่แบบนั ก, กบโบราณส่วนสงสมส่วนไม่อ้วนไม่ผอมภิกษุหนุ่มเข้าไปกราบและพูดว่าหลวงพ่อครับผมพระเจริญมากราบนมัสการหลวงพ่อครับภิกษุใต้ต้นไทรยังคงนั่งหลับตานิ่งพระหนุ่มจึงพูดอีกว่าหลวงพ่ออยู่วัดไหนครับ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 หลวงพ่อทำไมไม่พูดผมรู้ว่าหลวงพ่อพูดได้เมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อยังพูดกับโยมผู้ใหญ่บ้านเลยเมื่อท่านไม่พูดไม่ยอมลืมตาพระหนมมองหน้าผู้ใหญ่บ้านเป็นเชิงขอความเห็นว่าจะทำอย่างไรดีบุรุษวัยแปได้แต่สั่นศรีรษะน้อยๆเป็นเชิงว่าไม่มีความเห็นใดๆ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 จึงคว้าสายตาสำรวจดูว่าท่านมีเครื่องอัถบริคารอะไรบ้างก็เห็นเป็นบาทอยู่ใบหนึ่งถูกแขวนไว้ที่กิ่งทรเช่นเดียวกับกรดมีการน้ำใช้กระบอกไม้ไผ่ต่างแก้วน้ำสำหรับรินน้ำมีเพียงเท่านี้เห็นท่านนั่งนิ่งพระหนุ่มจึงคิดหาอุบายที่จะทำให้ท่านพูด หรือว่าสิ่งที่เราทํานั้นไร้สาระจึงไม่ได้รับคําตอบต้องเปลี่ยนเรื่องถามคิดได้ดังนี้จึงพูดเสใหม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพผมเป็นพระบวทใหม่ความรู้ทางธรรมยังน้อยจึงใคร่จะมากราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เ, เกี่ยวกับเรื่องธรรมะและการปฏิบัติครับ คราวนี้ผู้ที่นั่งขัดบอลลังลืมตาแสดงว่าพระหนุ่มถามถูกจุดสติปัฏฐานสี่ระลึกชาติได้รู้กฎแห่งกรรมเกิดปัญญาแก้ไขปัญหาได้ท่านพูดโดยไม่ได้มองหน้าคนฟังผมไม่เข้าใจครับหลวงพ่อได้โปรดอธิบายขยายความให้ผมฟังด้วย ผมเพิ่งจะบวชได้ห้าพรรษาเท่านั้นเธอได้นักธรรมโทแล้วไม่ใช่หรือได้แล้วครับพระหนุ่มตอบอย่างภาคภูมิได้มายังไงในเมื่อสิ่งที่ฉันพูดมานั้นอยู่ในหลักสูตรนักธรรมตรีและเธอได้นักธรรมโทมาได้ยังไงท่านถามยำ้ำผมสอบได้ครับเพอได้นักธรรมตรี รุ่งอีกปีก็ได้นักธรรมโทแววภาคภูมิอย่างปรากฏในน้ำเสียงไม่ใช่นั่นเป็นภาควิชาปฏิบัติการนะ่ะสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมกายานุปัสนาสติปัฏฐานกายนอกกายในกายทิพย์อำนาจแห่งจิตเป็นประการใดมีสติรู้ตรงไหน ทำได้หรือเปล่าและอย่างนี้สอบนักทำตรีมาได้ยังไงก็ท่องตามหนังสือแล้วก็ไปเขียนตอบล่ะครับคราวนี้ไม่เหลือความภาคภูมิใจแม้แต่น้อยเพิ่งจะรู้ว่าวิชาการกับการปฏิบัติการนั้นต่างกันลิบลับก็เป็นซะอย่างเนี้ยเอาดีไม่ได้จำไว้ คนที่บวชไม่ครบไตรสิกขาเอาดีไม่ได้อนาคตจะมีมากพวกที่บวชเป็นสิบสิบพันษาแล้วไม่รู้ว่าศีลสมาธิปัญญาคืออะไรเพราะไม่ได้เรียนภาคปฏิบัติการไม่รู้จักสติปัฏฐานสีหลวงพ่อครับผมจะไปเรียนสติปัฏฐานสีได้ที่ไหนพระหนุ่มทาม ท่านจะต้องรู้จักสติปัฏฐานสีให้จงได้เธอไปหาที่เรียนเอาเองอีกเจ็ดวันข้างหน้าเธอจะพบอาจารย์อาจารย์ของเธอเก่งไม่มีใครเทียบเทียมได้คาบอกเล่าของหลวงพ่อในป่าทำให้พระนุ่มครุ่นคิดว่าท่านจะไปหาอาจารย์ที่ไหนหนอจะเป็นไปได้อย่างไรที่ท่านจะหาพบในอีกเจ็ดวันข้างหน้า จังหวัดสิงบุรีก็ไม่เห็นมีครูบาอาจารย์เก่งๆสักองค์เดียวที่เก่งๆก็มรณะภาพไปเสแล้วเหมือนรู้ว่าพระหนุ่มกำลังคิดอะไรอยู่หลวงพ่อในป่าจึงพูดขึ้นว่าเอาละ่ะเราจะให้ปริศนาเธอไปคิดเป็นการบ้านปริศนาเราจะให้เธอเนี่ยเป็นผลงานของสติปัฏฐานสีนะ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 แม้จะไม่เข้าใจความหมายในปริศนาหากพระเจริญก็จงได้ทุกตัวอักษรท่านคิดว่าต้องหาครูบาอาจารย์มาสอนสติปัฏฐานสี่เพื่อเฉลยปริศนานี้ให้ได้ระหว่างที่พระหนุ่มสนทนากับหลวงพ่อในป่าโยมผู้ใหญ่บ้านนั่งนิ่งฟังอย่างเดียวเขาถือคติตาดูหูฟังปากนิ่งเป็นคุณสมบัติของบัณฑิต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 เพื่อจะได้เรียนธรรมะจากท่านได้ครับและพรุ่งนี้ผมจะมารับพระคุณเจ้าไปฉันในหมู่บ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านบอกอย่าลำบากเลยโยมอัตมากลับเองได้พรุ่งนี้อัตมาจะกลับแต่เช้าหรือถ้าไม่กลับก็ไม่ต้องห่วงบุรุษวัยปจึงพูดกับหลวงพ่อดำเป็นครั้งแรกว่า หลวงพ่อครับผมกราบนมัส ก, การลาละครับเขาก้มลงกราบท่านสามครั้งและจึงลุกออกมามุ่งหน้าเดินกลับหมู่บ้านพระเจริญพูดกับท่านว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพนี่ก็เย็ยนมากแล้วคืนนี้ผมขอค้างที่นี่กับหลวงพ่อสักคืนนะครับหลวงพ่อดำลืมตามองหน้าพระหนุมและพูดว่า กลับไปค้างในหมู่บ้านก่อนเธอยังไม่สมควรจะนอนกับเรารอให้อายุ45ค่อยพบกันพูดจบท่านก็นั่งหลับตาอีกพบที่ไหนครับหลวงพ่อผมจะพบหลวงพ่อได้อีกที่ไหนและทำไมต้องรอให้อายุ45ปีเสียก่อนอีกตั้ง20ปีจนนะนักครับ ไม่มีคำตอบจากสมณะที่นั่งขัดบอลลังอยู่เบื้องหน้าพระเจริญจะพูดอย่างไรท่านก็ไม่ยอมลืมตาเลี้ยวหลังไปมองดูผู้ใหญ่บ้านเห็นไปได้ไม่ไกลนักจึงตัดสินใจที่จะกลับไปนอนค้างในหมู่บ้านเอ่ยลาพระในป่าว่าหลวงพ่อครับผมจะเชื่อฟังหลวงพ่อจะกลับไปค้างแรมในหมู่บ้าน แต่ผมยังไม่ทราบว่าอีก20ปีจะพบหลวงพ่อได้อย่างไรคราวนี้หลวงพ่อในป่าเลืมตาอีกครั้งท่านเจตนาจะให้ผู้ใหญ่บ้านกลับไปก่อนเพื่อจะบอกเคล็ดลับให้พระนุ่มเธอไปเรียนสติปัฏฐานสี่กับพระอาจารย์ของเธอที่พบกันในอีกเจ็ดวันข้างหน้าเรียนแล้วปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ จนสามารถแก้ปริศนาได้พออายุ45เมื่อต้องการพบฉันให้เธอปฏิบัติ ด, ดังนี้ท่านก็บอกเคล็ดลับ3ข้อและย้ำว่าให้บุคคลที่สามล่วงรู้ไม่ได้เป็นอันขาดจากนั้นพระหนุ่งจึงกลาบลาท่านเดินทางกลับมายังหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านวัย80เดินมาถึงป่าทึบปริมทุ่ง ก่อนที่จะเดินผ่านป่าเขาเหลียวกลับไปดูเพื่อให้แน่ใจว่าพระนุมยังอยู่กับหลวงพ่อองค์นั้นครั้นเห็นพระเจริญเดินตามมาแต่ไกลจึงหยุดรอซุดกายลงนั่งบนคันนาด้วยรู้สึกเมื่อยขาเต็มทนท่านแม่อนุญาตให้นอนค้างด้วยหรือครับเขาถามเมื่อพระนุ่มเดินมาทันถูกแล้วโยมอีกยี่สิบปีจึงได้พบท่าน ถึงตอนนั้นท่านคงอายุ90สังขารร่างกายคงเปลี่ยนไปจากเดิมแต่ผมค่อนข้างแน่ใจว่าท่านไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะตลอดระยะเวลาเจสิกว่าปีมาเนี่ยผมก็เห็นท่านรูปร่างอย่างนี้อายุเท่านี้ซึ่งผมว่าเป็นเรื่องแปลกมากและผมก็ค่อนข้างมั่นใจอีกว่าอีสิปีข้างหน้าท่านจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้ พระคุณเจ้าคอยสังเกตดูนะครับโยมช่วยอาตมาสังเกตด้วยก็แล้วกันเพราะโยมเห็นท่านทุกปีไม่ใช่หรือครับแต่ผมคงไม่อยู่ต่อไปถึงยี่สิบปีกระมังอยู่มาได้ถึงป่านนี้ก็เกินหน้าเกินตาเพื่อนฟูมากแล้วบุรุษวัยแปสว่าถ้าเช่นนั้นก็อยู่ต่ออีกสิบห้าปีก็แล้วกัน ให้ถึง99ถเ้าท่าโยมยายของอาตมาโยมยายของพระคุณเจ้าอายุ99เปีหรอครับตอนนี้93สแต่หลวงพ่อเดิมท่านบอกว่าโยมยายอายุยืนถึง99อาตมาก็เชื่อท่านเพราะท่านพูดอะไรไม่เคยผิดสักครั้งหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ใช่ไหมครับถูกแล้ว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 เจ็ดสิบกว่าปีที่ผมเห็นท่านท่านเคยพูดกับผมครั้งเดียวคือเมื่อปีที่แล้วเท่านั้นและท่านก็ไม่พูดกับผมอีกพระคุณเจ้ามีบุญวาสนามากที่ท่านพูดด้วยผมไม่เคยเห็นท่านพูดกับใครก่อนเลยจริงๆนะกครับพระหนุ่มอยากจะบอกโยมผู้ใหญ่บ้านว่านอกจากพูดด้วยแล้วท่านยังบอกเคล็ดลับสามข้อ เพื่อที่จะได้พบกันในอีก20ปีข้างหน้าแต่ถ้าบอกก็เป็นการละเมิดสัญญาที่ให้ไว้กับท่านจึงต้องเก็บไว้เป็นความลับสุดยอด